ก็สงบเป็นลําต้นที่ร่มเย็นเนี่ยนะต้นไผ่ต้นนั้นเนี่ยเติบโตต้นเดียวโดดแล้วว่าต้นเดียวอ่ะต้นเฉพาะต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นะกิ่งก็แตกออกไปจากต้นนั้นงามเหมือนกรรมเววหางนกยูงที่เขาผูกไว้ดีมันก็งดงามพลิ้วไปตามลักษณะยอดไผ่เนี่ยนะต้นไผ่ต้นนั้นเป็นต้นที่ไม่มีน้ําไม่มีรู เป็นไผ่ชนิดใหญ่มีกิ่งแผ่กว้างไม่มีช่องร่มเงาทึบหน้ารื่นรมต้นไม้ที่แต่สรู้ว่าไผ่พันธุ์พิเศษว่างั้นเถ อ, อะอักคราอุปถาของพระพุทธเจ้าชื่อว่าสุทัตะและจิตตะส่วนอัคระอุปถายิกาชื่อว่าสุพัธธาและปทุมาพระชนะพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าโดยส่วนสูงหสบอก ทรงประกอบด้วยความประเสริฐโดยอาการพร้อมสับ ท, ทรงถึงพระพุทธคุณครบถ้วน52านี่ก็ประมาณ25เมตรเนี่ยนะย่สิบเมตรเนี่ยถ้ากล่าวไปแล้วเนี่ยถ้าใครเคยไปดูพระพุทธรูปที่จังหวัด1 0อเอนี่ยพุทธรูปสูง101เมตรนะพุทธรูปที่ร้อเนี่ยที่สูงชัลูดเนี้นึ101่งเมตรนะ1นึเมตรถ้าดูไกลๆก็ดูงามนะนะถ้าดูไกลๆระดับหนก็จะดูงาม อั น, นั้นถ้า25่ส่สิบเมตรก็ถือว่าไม่สูงเท่าไหร่พระรสมีเข้ไปพระองค์นั้นประกอบด้วยความประเสริฐพร้อมศัพท์ทั้งมหาปริศลักษณะแปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยรูปประกายพระวรากายของพระองค์นั้นประดับประกอบไปด้วยมหาปริศลักษณะ32ประการมีประดับรายละเอียดด้วยอนุพยัญชนะ80ประการ ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีพระพุทธคุณคุณธรรมอยู่ในใจในี่ครบถ้วนบริบูรณ์แกวมไม่มีผู้ใดจะตำหนิพระองค์เลยะนะในส่วนอะไรเช่นย่อว่าเวสารชยานเนี่ยนะพระองค์มีสัมมาสัมพุทธปฏิญญา มีขีณาสะวะปฏิญญานิยานิกะธรรมะเทศนาและอันตรายุกะธรรมะเทศนาเพราะนั้นภาวะในการดำรงแหนงความเป็นพระพุทธเจ้ามีครบถ้วนสมบูรณ์ท้งในร่างกายและด้านจิตใจเนี่ยนะทงในด้านอ า, อายุและในด้านสติปัญญาพาระรศมนะีแสงนะที่ เป็นประกายพุ่งออกจากกายของพระองค์เนี่ยนะก็เสมอด้วยรัศมีของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีผู้ใดเสมอก็เป็นพุทธรังสีพุทธฉับพัณรังสีที่เล่นออกโดยรอบจากภวรกายเนี่ยนะถ้าพูดแบบคิดแบบง่ายๆยานะว่าสีสีสีนินเนี่ยนะหรือสีดำเนี่ยนะสีเขียวอ่ะสีเขียวก็ออกจากพระเกศา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 เปล่นขาวคละคลุ้งไม่ใช่แงแดงแบบนั้นหมายแปลว่าเป็นรัศมีสีแดงที่พุ่งออกมาถ้าเป็นสีเขียวก็จากผมสีแดงสีเหลืองสีเหลืองก็เช่นเนียดวงตาในบางส่วนที่มันมีตรงไหนที่ควรจะเหลืองหรือว่าในข้างในพระองค์มีมันข้ น, นยก็ส่วนใดที่เป็นสีเหลืองก็พุ่งออกมาแล้วก็ส่วนที่เป็นสีขาวเนี่ยนะเช่นพระทนหรือว่าตาขาวฝา่ามือเล็บพวกนี้เป็นต้นก็จะพุ่งออกมาเป็น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 มหาศีลเนี่ยนะแต่ว่าศีลเหล่านั้นเป็นแต่หัวข้อแต่ศีลเนี่ยตัวศีลไม่ใช่ข้อแต่เป็นเจตนาศีลเป็นเจตสิกศีลสังวรศีลอวีติกรรมะศีลนี่ยหรือว่าศีลที่เป็นศีลสังวรนะสังวรทางกายวาจาทั้งอาชีพของพระองค์นั่นเองคือในพฤติกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมของพระองค์นั้นมีศีลเป็นสมุทฐานทั้งโลกิยะศีลและ โลกุตราศีนั้นศีลของพระองค์นี่มีคุณหาประมาณนี้ได้นะกว้างใหญ่ไพศาล ย, ยากที่จะนับได้ทั้งสมาธิของพระองค์เนี่ยนะไม่มีอารมณ์ใดที่พระองค์จเจริญสมาธิไม่ได้ทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิของพระองค์หมดทุกอย่างเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญปัญญาของพระองค์หมดทุกอย่างพระองค์หลุดพ้นแล้วและทุกอย่างพระองค์ไค้ครวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นสิ่งในโลกมีประมาณเท่าใดถ้ากลั่นมาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือ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 ในการบำเพ็ญบารมีเป็นต้นจนถึงได้ตรัรสรุปบำเพ็ญพุทธกิจตั้งหลายขณะเดียวกันพระองค์ไม่มีข้อต้องอุปมาไม่รู้จะอุปมากับผู้ใดนะว่าโอ้พระพุทธเจ้าเหมือนคนนั้นเหมือนคนนี้เหมือนคนนี้บอกไม่มีอย่างมากคนทั่วไปอาจจะเปรียบเหมือนกับพระพุทธเจ้าได้บ้างนะแต่ว่าในบางด้านนิดๆหน่นนอยๆ น, นะพูดถึงในยุคสมัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามวสุชาตินั้น มนุษย์มีอายุประมาณ90หปีพระองค์ทรงมีพระชนยืนถึงเพียงนั้นจึงยังหมู่คนเป็นอันมากให้ข้ามโอค่าสงสารว่าก็มนโนปณิธานความปรารถนาะทั้งมนโนปณิธานกายะวัจจีปณิธานตั้งทั้งความคิดทั้งทั้งสิ่งที่ทำคำที่พูดว่าเราข้ามแล้วจะให้ผู้อื่นข้ามด้วยก็คือช่วยให้ผู้อื่นข้าม น, นะอย่างเช่นข้ามพ้นความยากจนด้วยการ ให้ทานพ้นจากอบายเช่นด้วยการรักษาศีลถ้าศีลจะสมบูรณ์ข้ามอบายได้จริงต้องศีลระดับโซดาปฏิมาสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณให้ข้ามพ้นจากการมมาพบด้วยอนาคามิมักแล้วก็พระองค์ช่วยให้สัตว์ทั้งหลายข้ามพ้นจากวัฏฏทุกโดยประการทั้งปวงด้วยอรหัตตะมักพระองค์นั้นยังหมูชนเป็นอันมากให้ข้ามโอคะโสดาปฏิมคข้ามทิโถโคะเนี่ยนะ อนาคามีมรคข้ามกาโมขอรหัตมรคข้ามอะไรอรหัตตมรคข้ามอวิโชคะและพาวะเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นพาให้สัตว์ข้ามขันธะอายตนะในอบายทุกติวินิบาศพาให้ข้ามพ้นจากขันธะอายตนะที่มีในภพที่แปดด้วยโสดาปฏิมร์เนี่ยนะให้ข้ามที่เหลือเหลือไว้แต่ชาติเดียวด้วยสกทาคามีมรคข้ามจากกาม การมาพบทั้งมวลด้วยอนาคามีมักหรือข้ามจากพบทั้งมวลด้วยอรหัตตมักนั่นเองมันพระองค์จึงพาสัตว์เนี่ยให้ข้ามด้วยสะพานคืออริยมัติเนี่ยนะเสถุคือสะพานของพระองค์คืออริยมัติโอฆาคือกิเลสสังสงสารนั้นก็เป็นชื่อของทุกขสัจจะทั้งหลายข้ามเป็นชื่อของอรหัตมัคสัจจะโอฆาเป็นชื่อของสมุทัยสัจจะและก็สังสารขันธาตุอเยตนาเป็น ทุกขสัจจะเพราพระองค์เมื่ออยู่ในโลกตราบใดพระองค์ก็บำเพ็ญกิจอย่างพุทธเวไนททั้งหลายให้ตรัสรู้อริยมรรคให้ข้ามพ้นจากโอคะคือสมุทยัทยสัจให้พ้นจากทุกขสัจโดยประการตั้งปวงครั้งนั้นปาพจน์คือธรรมวินยัยคำสอนของพระองค์เนี่ยนะอันนี้ยกตัวอย่างว่าธรรมกับวินยัยถ้านับหนึ่งก็คำสอนของพระองค์ก็นําออกจาก ทุกหรือนําข้ามโอกระสงสารนับสองก็คือทำกับวินัยนับสมก็ปิดกสามหรือปฐมพุทธพจน์มัชชิมพุทธพจน์ปชิมพุทธพุท ธ, ท ธ, ท ธ, ท ธ, ทธถนับห้าก็นิกาย5นับ9ก็คําสอนอันประกอบไปด้วยองค์9ก้าแปพันพระธรรมขันะนะเมื่อพระองค์ดํารงอยู่คําสอนเหล่านี้ก็งอกงามเจริญด้วยพระอาหารทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าดํารงอยู่คําสอนก็มีอยู่ เหมือนอย่างว่านิพพานมีอยู่ผู้บอกพระ น, นิพพานมีอยู่มีผู้ที่ปฏิบัติตามผู้ที่ปฏิบัติตามก็บอกว่าพระอรหันต์เป็นประดุดคลื่นนิพพานเหมือนกับฝั่งพระอรหันต์ทั้งหลายก็น้อมไปการตรัสรู้เริยกสัตว์ตามพระพุทธเจ้าเหมือนคลื่นในทะเลอันนะั้นมีผู้ตรัสรู้เป็นระลอกระลอกระลอกแล้วระลอกเล่าที่ตรัสรู้ถึงฝั่งคือพระ น, นิพพานเนี่ยนะหรือเหมือนกับดารากรเนี่ยนะ สิ่งที่ทำให้ดวงเดือนในนาภากาศผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้ามากมาย น, นะดวงเดือนหรือดวงดาวในนาภากาศเนี่ยนะมีผู้ตรัสรู้เยอะเนี่ย น, นะพระศาสนานี้ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตินี้จึงงดงามเนี่ยนะงามมากงามด้วยผ้าอหั์ทั้งหลายงามด้วยผู้มีศีล น, น, นะงามด้วยผู้ที่ควรแก่เครื่องสักการะควรแก่ของบูชา งามด้วยอาหุไนยโยปาหุไนยโยทักขินยโยอัญชลีกรณโยอนุตรังปุญยักเขตังโลกสัสติงามด้วยผู้มีวิชาสามอภิญญาหกผู้ถึงกำลังริดและผู้คงที่ทั้งในอิทธารม์และอนิถารม์มั่นคงในอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาพระพุทธเจ้าเสมอด้วยพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีผู้ใดเสมอกับพระองค์พระองค์นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น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 พระวิหารเสลาราม น, นะวัดหินนะ่นะวัดหินส่วนเจดีย์ของพระองค์นั้นสูงสามขาวุธก็เกือบก็สูงหลายกิโลเหมือนกันน่ น, นะสามขาวุธก็เศษหนึ่งส่วนเศษสามส่วนสี่ของโยชนั่นเองส่วนอัตกะถาเนี่ย น, นะ มทุรัฐวิลาสีนเนี่ยนะมุรธหรือมทุรธาวิลาสีอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่กล่าวไว้แล้วในบาลีพุทธวงว่าภายหลังจากสมัยพระพุทธเจ้าพระนาวาสุเมธเนี่ยนะในมันดักับกับที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสององค์นั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายที่มีอายุไขนับไม่ได้โดยลำดับลดลงมาตามลำดับจนถึงอายุประมาณ 90,000 ปีคือหลังจากศาสนาพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ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 ถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางปัปพราวดีอัครเมหสีในราชสกุลของพระเจ้าอุคตะกรุงสุมังคละหรือกรุงสุมงค์นเนี่ยนะพออยู่ในครันครบถ้วน10เดือนก็คลอดจากพระคันพระชนนีหรือประสูตรในวันเฉลิมพระนามพระชนกชนนีเมื่อจะเฉลิมพระนามของพระองค์ก็ได้เฉลิมพระนามวสุชาตะเพราะเกิดมาแล้วก็ยังความสุขให้เกิดขึ้นแก่ เหล่าสัตว์ทั้งหลายทั่วชมพูทวีปผู้เกิดมาให้ความสุขแก่สรรพสัตว์เนี่ยนะเมื่อพระองค์เกิดมาคลอดออกมาสัตว์ทั้งหมดมีความสุขกันทั่วหน้าก็เลยว่าสุดชาติผู้เกิดมาแล้วประชาชนหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รับแต่ความสุขตอนแรกก็สบายใจก่อนใช่ไหมได้รับความสุขทางกายและใจในเบื้องต้นในที่สุดก็ตรัสรู้ฌานอภินญามมรรคผลนะนิพพานัญญานนะนานงปรามังสุ ข, ขัง การเกิดขึ้นมาของพระองค์ก็คือเพื่อให้ได้รับความสุขคืออมตะนิพพานสุขพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นครองคารวาดวิสัยอยู่ประมาณ 9,000 ปีมีปราสาทสามหลังชือ่อวสิริอุปสิริและก็สิรินันทะพร ะ, พระสนมนารีบริวารที่คอยดูแลเนี่ยนะนับตั้งแตทหารยามไล่ขึ้นมาเป็นผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยนะประมาณ23ง0 0นาง มีพระนางศิรนันทาเทวีเป็นประมุขเมื่อพระโอรสพนามวอุปเสศณ์ของพระนางศิรนันธาเรนันเ ท, นน ท, เทวีเนี่ยนะสมภพคือประสูติแล้วพระองค์ก็เห็นนิมิตสี่ทรงม้าต้นชื่อว่าหังสวหังหังสวหังเนี่ยนะเสด็จออกมหาพิเนศกรมพนวดก็มีบุรุษผู้บวชตามเนี่ยพวกทหารเป็นต้ น, นประมาณโกดหนึ่ง บวชตามพระองค์ผู้ทรงผนวดอยู่ในลำดับพระมหาบุรุษนั้นอันมนุษย์เหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรปฏิบัตินะเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่9เดือนในวันวิสาขบุรีคือวันเพนเดือน6พระองค์ก็เสวยข้าวมัทุกขาญาติรสอร่อย ท, ที่ที่ดาของิรินันทเษถีแห่งสินินธนนครถวายแล้วก็ยับยั้งพักกลางวันณสาลวัน เวลาเย็ยนพระองค์ก็รับหญ้าแปดกำรรที่สุนันท่าอาชีวกอมัทวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จเข้าไปยังโรพพฤกชื่อว่าต้นเวลุต้นไม้ไผ่ต้นใหญ่ลาดสันทัดหญ้ากว้างประมาณ 3, สามสิบสามศอกเมื่อดวงอาทิตย์ยังคงอยู่ก็กำจัดกองกำลังมารพร้อมทั้งตัวมารเนี่ยนะก็เรียกว่าช่วงหัวค่ำ มันปฐมยามแห่งราตรีก็ระลึกชาติได้มัชชิมยามแห่งราตรีก็รู้สัตว์เกิดสัตว์ตายปัจฉิมยามแห่งราตรีพิจารณาปฏิจจสมุปาตรัสโรเป็นพระพุทธเจ้าในายามรุ่งอรุณเนี่ยนะที่ใกล้ต้นโพธิ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับนั่งอยู่บริเวณนั้นเจ็สัปดาห์เท้ามหาพรหมาราธน า, านะพระองค์ก็พิจารณาเห็นว่าสุนันทะ สุนทรข้อไปสุทัศน์โกมารพระกนิตะพาดาห น, น้องต่างแม่ของพระองค์และเทวโกมารบุตรปุโรหิตผู้สามารถแทงตลอดธรรมะคืออริยสัจสี่นาว่าสองท่านนี่แหละหัวหน้าพอที่จะตรัสรู้ได้พระองค์ก็เสด็จไปทางอาการลงที่สุมังคละราชุทยานกรุงสุมังคละให้พนักงานเฝ้าราชุทยานไปเรียกสุทัศนราชกุมารกนิตะพาดาห น, น้องต่างแม่และเทวโกมาร บุดปุโรหิตมาแล้วพระองก็ประทับนั่งท่ามกลางกูมานทั้งสองพร้อมกับบริวารของกูมารเหล่านั้นประกาศพระธรรมมาจักณณที่นั้นก็มีผู้ตรัสรู้ประมาณ1โกดแต่ว่าถ้าบวกกับเทวดาก็ร่วมกันร่วม80โกดก็ตรัสรู้อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่1การบรรลุมู่ใหญ่ครั้งใหญ่ครั้งแรกครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าทำยมะกะปาติหาณะโคนมหาสาลพฤกนะนะ โคนต้นต้นต้นสาระนะที่ประตูสุทัศนราชเชทยานเสร็จแล้วพระองค์ก็จําปรรษาะดาวดึงสพิภพนะเตดติงสะเนดาวดึงเข้ามาจากตาวเติงสาหรืออีกในหนึ่งก็เตดติงสะนะก็33มสิบสามนะเทวดาที่อยู่กันรวมกันหมู่ใหญ่ตอนที่พระองค์แสดงธรรมที่ตอนที่ประตูสุทัศนะเนี่ยนะ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 อของพระองค์ก็กลมกลึงเหมือนกับโคอโคแล้วก็โพธิมุตตมังนะในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้โพธิญาณอันสูงสุดพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมโปรดมนุษย์ที่มาในสุธรรมราชิทยานกรุงสุธรรมมวดียังชนหกล้านให้บวช ด, ด้วยเอหีพิคุทรงแสดงย ม, มะกะ่ปาติหายกปาติโมกขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุเหล่านั้นอันนี้เป็นสันนิบาตการประชม อ, อริยสาวกอรหันเนี่ยนะครั้งที่1 ต่อจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากเทวโลกพิกษุประมาณ5ล้านประชุมกันนี้เป็นสันนิบาตการประชุมสาวกครั้งที่สองพระสุทัศนะเทระพาบุรุษ4ี่แสนซึ่งฟังข่าวว่าพระสุทัศนะกุมารพนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าบรรลุอรหัตก็ค่ๆกับเพื่อนสหายพยสานะที่พยสสะพาเข้าไปเฝ้านะพระสุชาตินราสภะ พระ อ, องค์ก็แสดงธรรมโปรดบุรุษเหล่านั้นให้บวช ด, ด้วยเอหิพิคุอุปสัมปทายกปาติโมขึ้นแสดงในสันนิบาต ท, ที่ประกอบไปด้วยองค์4อันนี้เป็นครั้งที่สพระ อ, องค์จึงตรัสเล่าในพุทธวงศว่าพระสุชาติพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชุมอรหันตสาวกผู้เป็นขีณาสพไร้มนทินจิตสงบผู้คงที่สามครั้งผ่าอรหันตสาวกผู้ถึงกําลังแห่งอภิน ญ, ญาผู้ไม่ต้องไปในภพน้อยภพใหญ่หก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 คณะที่ประกาศอนุปพิกถาเป็นต้นก็ถวายราชสมบัติในมหาทวีปทั้ง4พร้อมด้วยรัตนะเจ็อย่างแด่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานผนวดในสำนักของพระศาสดาทีนี้ชาวทวีปทั้งสิน้นนะะทั้งหมดก็รู้รวบรวมเรียรายรายได้ที่เกิดจากราศก็คือภาษีอากรเป็นต้นนะพวกทําหน้าที่ของคนวัดนะนะพวกพวกนี้นก็เปลี่ยนเปลี่ยนฐานะจากทํางานให้ส่งให้รัฐเป็น กลายมาส่งเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแทนเพราะฉะนั้นก็เลยมีการถวายมหาทานเป็นประจำแก่พระพิสดองมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานพระศาสดาแม้พระองค์นั้นก็ทรงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นว่าจักเป็นพระพุทธเจ้าพระนามวโคตมะใน อนาคตดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้ภาษาริบุทฟังว่าเมื่อสามหมื่นกับก่อนนั้นเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ของเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในทวีปทั้ง4ี่มีกำลังมากท่องเที่ยวไปในอากาศเรามอบถวายราชสมบัติอย่างใหญ่ในทวีปทั้ง4มีรัตนะ7แดดพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแล้วบวชในสำนักของพระองค์ชาววัดคนที่ทางานอะนะ เพื่อ่งทงานให้วัดเนี่ยนะรวบรวมรายได้จากชนบทมาจัดเป็นปัจจัยสี่บ้างเป็นที่นอนที่นั่งสำหรับภิสุสงแม้พระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ในหมื่นโลกธาตุพระองค์นั้นก็สรงพยากรพระโพธิสัตว์คือของเราว่าท่านผู้นี้จะเป็นพระพุทธเจ้าในที่สุดอีกส0 0หมื่นกับแล้วก็กล่าวถึงพุ ท, พทธประวัติโดยคร่าวๆผู้ที่เป็นพุทธบิดาเป็นต้นดังที่ฟังไปแล้ว พระโพธิสัตว์นั้นหลังจากได้รับพุทธพยากรณ์ฟังคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ร่าเริงดีใจอธิษฐานข้อวัดปฏิบัติให้ยิ่งยวดขึ้นไปบำเพ็ญบารมีให้เต็มบริบูรณ์แล้วก็เล่าเรียนพระสูตรพระวินัยรวังค้าศัตริย์คำสอนคือพระไตรปิฎกอย่างาศาสนาของพระชินเจ้าให้งดงามพระโพธิสัตว์นั้นอยู่อย่างไม่ประมาทในาศาสนานั้นเจริญพรหมหารภาวนาถึงฝั่งอภิน ญ, ญาแล้วก็ไปสู่ กรมมรโลกนั่นนะส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวไปบ้างแล้วเขบอกว่าครั้งนั้นเนี่ยนะมนุษย์มีอายุประมาณ9 0,000 ปีสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตินั้นพระองค์ก็มีพระชนมายุยืนเรียกว่าสี่ในหส่วนก็เลยยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอกคสงสารครั้งนั้นปาพศคือทําวินยัยงามด้วยพผ้ารหารทั้งหลายเหมือนคลื่นในทะเล งามด้วยพระอรหันทั้งหลายเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้าฉะนั้นเนี่ยนะเพราะว่าพระอรหัน์ทั้งหลายก็คือผู้ที่มีแสงสว่างประกายพระอรหันทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวพระพุทธเจ้าก็เหมือนกับดวงเดือนว่าอย่างนั้นถ้ามองจากโลกไปเนี่ยนะบอกว่าพระพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวทั้งหลายที่มีแสงสว่างแต่ก็สว่างเหมือนดวงดาวนะแต่อันนี้หมายคำว่าดูจากสายตาออกไปนะเป็นการเปรียบเทียบ แต่ไม่ได้หมายถึงบรรย์ญญในลักษณะเชิงดาราศาสตร์เพราะว่าดาวที่มันสว่างไกลๆนั้นน่ะมันสว่างกว่าดวงดวงเดือนเนี่ยเป็นหลายร้อยเท่าอันนั้นไม่ได้แปลว่าอันนั้นดาวดวงนั่นน่ะมันเล็กกว่าดวงเดือนแต่นี่พูดธรรมดาด้วยวัดมองกันด้วยสายตาเปรียบเทียบกันโดยปกติว่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเหมือนกับดวงเดือนอนนพระอรหันตสา ว, วกทั้งหลายก็เหมือนกับดวงดาวอนะ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 ที่จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยให้เขาตรัสรู้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยศึกษาพระธรรมก่อนจากพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆในอดีตการอันยาวนานมาเนี่ยนะก็จะเป็นเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยเพาะพืชพันธุ์เมล็ดเนี่ยนะที่จะให้ตรัสรู้ต่อไปในอนาคตอย่างพระพุทธเจ้าท่านเนนะี่ย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 ถือเอาพระธรรมคําสอนที่พระองค์ตรัสรู้แสดงแต่งตั้งประกาศว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าในอดีตอนาคตหรือพระองค์ปัจจุบันไม่มีความแตกต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะคอยพลัดวันประการพรุ่งอะไรเราะถ้าเราพลาดโอกาสในการศึกษาหรือการปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็ยิ่งว่าพลาดอริยทรัพย์เนี่ยนะวันถ้าพลาดอย่างคนจนคนไม่มีทรัพย์เนี่ยนะเป็นคนที่เดือดร้อนฉันใด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 พระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระพุทธเจ้าเหล่านั้นล้วนแต่สั่งสอนเนี่ย น, นะธรรมที่นําออกจากทุกเราก็ได้ยินได้ฟังอันนั้นก็เป็นสุตตากของเราสละบาปสละอกุศลจิตใจของเราก็เบาขึ้นอันเยือกเย็นสงบยิ่งขึ้นจากที่เคยเร่าร้อนด้วยบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายอันนั้นก็เป็นจากคะสละวัตถุภายนอกออกไปสละบาปอากุศลธรรมออกไปขณะเดียวกันเราก็มีปัญญา ไม่งั้นพูดถึงอดีตสาม 0,000 ื่นกับที่แล้วเราก็นึกอะไรไม่ออกเลยนะอย่างน้อยที่สุดถ้าพูดถึงคําว่าอสงไขยสี่อสงไ ข, ย, งขยแสนกับนึกถึงพระพุทธเจ้า ต, ต, ตันทังกรเมทางกรสารานางกรหรือพระพุทธเจ้าพัทธีปังกรพูดถึงเมื่อสามอสงไขยแสนกับที่แล้วเราก็ยังนึกถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนทัญญะถ้าสองอสงไขยแสนกับที่แล้วเราก็ยังระลึกถึงพระพุทธเจ้ามังคละสมณเรวะัตะแล สพิตะถ้าหากว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเมื่อนหนึ่งอสองไขยแสนกลับมาแล้วเราก็จะนึกถึงพระพุทธเจ้าอะโนมาทศีเป็นตน้นนี่ถ้าหากว่าเราระลึกถึงสามหมื่นกลับมาแล้วเร า, าก็จะละลึกถึงพระพุทธเจ้าสุเมธนะโซเมทะและพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตส่วนอีกนับจากนี้ไปพุทธศาสนาก็ว่างไปนับจากพระพุทธเจ้าอศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามวั gard. สุชาตผ่านไป โลกก็ว่างจากพระพุทธเจ้า 28,200 ักับนะ่ันกับไม่มีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เวลาผ่านไปเนี่ยนะหลายหมื่นกับไม่มีพระพุทธเจ้าพรานถัดจากนั้นไปประมาณ 1,800 ักับแล้วนั่นแหละถอยหลังจากวันนี้ไปเมื่อ 1,800 ัอกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกสองพระองค์เรียกว่าวรกับปิยทัศนศีกับ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 เป็นปัจจัยให้ตรัสรู้รมเป็นที่พ้นทุกตามพระองค์ทุกท่านอนุโมทนาวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้